ยกรู้สึกตัวยกรู้สึกตัวยกยกรู้สึกตัวหมกมุ่ น, นยอย่าหมกมุ่นรู้สึกตัว <laughs> ตอนนี้ก็ทําความรู้สึกตัวอยู่นะ่ะแล้วที่ลุงตาบอกให้ทาความรู้สึกตัวเดี๋ยว <ๆ S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวงงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทำความรู้สึกตัวนะที่ลุงตาบอกให้ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอ่ะไม่ใี้ ม, มันรู้ ส, รสึกตัวอยู่ว่ามันหลงหรือไม่หลงไม่ใช่ทาความรู้สึกตัวหลงหรือไม่หลงออยากทำไปพยายามทําความรู้สึกตัวมันเท่ากับไม่รู้สึกตัวพยายามทําความรู้สึกตัวเนี่ยเท่ากับไม่รู้สึกตัวค่ะอันนี้เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจฮะก็พยายามทําเออมันก็เลยไม่เคยรู้สึกตัว ตอนนี้พยายามทํำพอโดนอัานเข้าไปสองวันสามวันเนี่ยรู้สึกจะพยายามมากเลยพยายามมันเท่ากับไม่เท่ากับไม่รู้สึกตัวใช่เพราะว่าเมื่อกี้เขาอ่านนะเขาบอกอะไรล่ะหลงเหม่อเผลอเพลินหลงหมกบุ่นคุนคิดหลงพยายามเนี่ยหลงพยายามทําอะไรจะให้เป็นอะไรเนี่ยนี่อันนี้มันหลงหลงอันนี้หลงแล้วเนี่ยหลงแล้วก็ไม่อย่างนี้ก็มันคือไม่รู้สึกตัวเออ แล้วก็หลงสะกดจิตใ่นิ่งเฉยเออสีอย่างโอ้หมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลย<ม>ก็นี่ไงตอนนั้นเนี่ยท่านนันทวันเนี่ยท่านปฏิบัติอยู่ที่เจดีวัํา์ตามืมอดอะ่ะเดินอยู่ไกลมากเลยนัดเขาอยู่ตรงที่พักอะ่ะโอ้โหตรงที่พักกับเจดีมันไกลมากนะมองเห็นคนตัวเล็กๆ เ, เดินเน่ย นันมันยังรู้เลยนะมันก็เดินเฉียดปุ๊บไปที่เขาที่เขากําลังเดินน่ะ น, นั่นนันลังทําอะไรอยู่ครับอ้าวนั่นก็กําลังทําความรู้สึกตัวทีว่โลกความรู้สึกตัวมันทําได้ด้วยเหรอครับมันก็เดินหนีเลยความที่มันไม่หลงเนี่ยเขาเรียกว่ารู้สึกตัว แต่ถ้าเราเนี่ยไปทำความรู้สึกตัวมันเท่ากับไปรู้สึกตัวมันหลงไปทําความรู้สึกตัวพยายามไปพยายามมันมีสี่อย่างเนี่ยเท่าที่ลบตาสังเกตแล้วสรุปได้มันมีสี่อย่าง<ะ>อ่ะไอ้ที่หนึ่งเนี่ยมันมองเห็นง่ายคือเมอ่อเพอเพินไปเลยอันเนี้ยเมื่ออันเนี้ยมันเห็นง่ายที่หนึ่งเนี่ยเหมื่อเพอเพิ่นส่งจิตออกนอกอันเนี้ยเห็นง่ายอ่ะที่สอง มันก็ยังเห็นง่ายคือหมกบุนหมกบุนอยู่ภายในเหมกบุนอยู่ภายในเอ๊กุดกุ๊ดกุดกุดกไม่สนใจฟังใครอ่ะหมกบุ่นอยู่เนี่ยแน่อันที่สามเนี่ยมันจะยากองกหน่อ ย, อยคืออันที่สามนี่ก็คือว่ามันพยายามจะทําอะไรให้เป็นอะไรอยู่แน่ข้างในอ่ะเนี่ยคือแม้แต่พยายามจะทําความรู้สึกตัวออพยายามจะให้มันไม่หลงอันเนี้มันคือม่นหลง ไอพี่พยายามจะให้มันไม่หลงเนี่ยมันหลงอยู่ออืมันหลงพยายามจะทําความรู้สึกตัวอันนี้มันเท่ากับหลงเพราดยไม่รู้สึกตัวนี่คือไปสะกดจิตให้นิ่งเฉยเนี่ยหลงไปสะกดจิตให้นิ่งเฉยอย่างเงี้ยสี่อย่างเท่าสี่สเกตดูนะนอกเหนือจากสี่อย่างนี้ก็ยังมองไม่ออกว่ามันเป็นมันเป็นหลงมองไม่ออกคือกิริยามันยังไม่ไม่ออกไม่ให้เห็นว่า มันมีหลงเกินกว่าสี่อย่างนี่เดี๋ยวถ้ามีใครเกินกว่าสี่อย่างนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันโพลมาก็จะเห็นแล้วมันจะมีเกินหรือเปล่าแต่ดูแล้วก็แทบไม่เกินสี่อย่างเนี่ยหลงหลงอยู่ในนี่เนี่ยในสีอนอส่อย่างเนี้ยลราท่องจาไว้เลยสี่อย่างเนี่ยหลงเม่อเผลอเพลินหลงหมกมุ่นกุ้นคิดหลงพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรหลงไปตะกดจิตใ ห, ให้แช่นิ่งเฉยเนี่เี้ย สี่อย่างอย่างอื่นก็ดูแล้วก็ไม่มีหรือมันจะมีก็ไม่รู้นั่นแต่เท่าที่สังเกตดูมามาตั้งหนาแล้วไม่มีมีสรุปได้สี่อย่างนี้อ่ใหม่ใหม่ขนมเสร็จไม่ของขนมเสร็จแล้วพอใจแล้วจะส่งกลับึ้นไปทีก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเออเราเวลเวลาที่แบบปักใจไป ไปทําอะไรมันก็หมกมุ่นใช่ไหมคะคือยไม่ใช่ในตัวก็เป็นนอกตัวอย่างเช่นแบบมีงานจะทําหนังสือหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไปคลุกอยู่กับเนื้อหาของหนังสือคือก็ไปมีสมาธิที่หนังสือเลยมันเป็นสมาธิทางโลกไหมคะอย่าเนีไปมีสมาธิทางโลกอยู่กับการงานที่ทําในปัจจุบันโดยไม่รู้สึกตัวอันนี้คือหลงเหมือนกันนี่ค่ะ้ตัวไม่รู้ตัวว่าภายในมัน มันมีความคิดอะไรนี่ก็หลงค่ะมันน่าจะเป็นหลงออกนอกไหยคะเอะหลงแบบไปไปขุกอยู่เรื่องเรื่องการงานเออเรื่องการงานเรื่องการงานที่ทําในปัจจุบันโดยไม่รู้ใจตนเองค่ะเออมันไปรู้ไปยังทําครัวก็จะทาไปรู้แต่ภายนอกชแต่มันไม่รู้ใจตนเองเอ้ยคะอันนี้คือก็เรียกว่ามีแต่สติในทางโลกค่ะแต่ไม่มีสติปัญญาที่พาตัวในพ้นทุกข์เรียกว่าหลงได้อีกอันนึงก็เรียกว่าหลงเหมือนกันค่ะไอ้ก็หลงน ขาดสติเรียกว่าขาดสติทำให้แต่สติในทางโลกเรียกว่าขาดสติอย่างนี้เขาเรียกว่าขาดสติเออขาดสติเรียกว่าขาดสติถ้าถ้าขาดสติมันก็คือขาดสมาธิขาดปัญญาสติบีก็มีสมาธิมีปัญญาแต่สติสติเนี่ยมันต่อเนื่องสติต่อเนื่องมันก็จะเป็นไอต่อเนื่องไม่ขาดสายก็จะเป็นมหาสติเขาเรียกมหาสติ มหาตติก็จะเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพันธิพาณ